กลมาพวกันอีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุครอบครัวเก่าข้าพเจ้าพร ะ, ระมาหาใบบุ์อาภิปุณโญในแต่ละวันก็นำเรื่องราวที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นธรรมดาที่เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องใดคำใดคำหนึ่งออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ที่จงจำคาสอนคำบอกเหล่านั้นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นคำเดียวโดดๆหรือจะเป็นคำที่อุทานออกมาในขณะอยู่คนเดียวหรือคำที่กล่าวเป็นคาถาเป็นบทร้อยกรองเป็นคำกรอนออกมาหรือแม้แต่บทสนทนาที่คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวกับหลายๆคนๆเขาก็ทรงจากันมาเพระาะว่าเป็นคำที่แหมมีความศักดิ์สิทธิ์นะธรรมบังมีความศักดิ์สิทธิ์นี่คือหมายความว่า กำหนดบทเปลย่ยนชนะมาดีแล้วเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างอื่นจริงแท้แน่นอนเป็นสัจจะที่ประเสรศิฐคกออริยสัจด้วยเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีค่ า, ม, คามีความสำคัญเวลาที่เขาจดจํากันมาแล้วเอตรงไหนไม่เข้าใจยังไม่สามารถทาความเข้าใจได้เนี่ยก็จะมีการที่จะทาการอธิบาย ดังโดยเปลียนชนะบ้างโดยอาถะบ้างว่าเป็นอย่างไรอย่างไรส่วนสิ่งที่อธิบายนั้นก็อาจจะนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาอธิบายมาให้สอดคล้องกันว่าออที่พูดไว้ตรงนี้อย่างนี้หมายถึงอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งมีเรื่องราวที่สอดคล้องกับเรื่องนน้นเรื่องโน้นนี่ก็ลักษณะหนึ่งและอาจจะเป็นเรื่องราวที่นำมาประกอบซึงเรื่องราวที่ประกอบนี้อาจจะ อิงความจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นก็ได้แต่ซึ่งลักษณะคําอธิบายที่นํามาประกอบกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แต่งใหม่หรือเป็นเรื่องที่เป็นบริบทอื่นๆแต่ก็ยังเป็นในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าตัว น, นี้เราจึงจะต้องแยกแยะให้ดีท่านผู้ฟังว่าตรงไหนคือสิ่งที่แต่งใหม่ตรงไหนเป็นสิ่งที่เป็นการอธิบายเพราะว่าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราจึงต้องแยก yeah, แยะแจกชั้นของสิ Swan ่งที่เป็นคําอธิบายอันน <Ừ. pe p inen> ี้เอาไว้ใ <kennt> ห้ดีแต่สิ <technique> ่งที่เป็นพุทธพจน์อันนี้ก็ระดับหนึ่งสิ่งที่เป็นคําอธิบายที่สอดคล้องมาจากในพระสูตรอื่นนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องราวถ้าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งสิ่งที่เป็นนิทานที่แต่งขึ้นใหม่นํามาประกอบกับเรื่องราวนั้นๆอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่ง พระฉะนั้นเราผู้ที่ศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักการแยกแยะให้ดีเรื่องราวในวันนี้ที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่มาจากพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้คาถานหนึ่งคาถา น, นี่ก็คือหมายถึงคํากรอนละ่ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องหนึ่งเป็นคํากรอนที่แต่งเอาไว้เป็นฉันเหรือนกับเรื่องโครงฉันกาบกรอนอย่างเงี้ยนะเป็นฉันที่ในทางภาษาบาลีเนี่ย จะมีวิธีกระบวนการที่เขจะแต่งอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้าแต่งคํากร น, นี้มาละก็มีนิทานที่ประกอบในการอธิบายคํากร น, นี้นิทานนี้เขาก็เรียกว่านิทานธรรมบททีนี้เรื่องที่น่าสนใจสําหรับที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็คือว่าพอมีนิทานธรรมบทแล้วก็ต่อไปเรื่องของชาดกอีกแต่ชาดกนี่ก็เป็นลักษณะคําสอนอันหนึ่ง ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดมาชาติก่อนชาติก่อนเป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้มันไล่กันมาเป็นลําดับนะทุกฝังนะเริ่มจากสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ตรงที่เป็นคาถาเป็นคํากลอนไล่มาเป็นเรื่องราวในนิทานธรรมบทต่อไปก็เป็นนิทานชาดกซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เบื้องต้นเบื้องแรกคือสิ่งที่เป็นคาถาตรงนี้ตัวนี้คือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์หลักพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของกาม ที่ว่าถ้าผู้ใดติดในกามมันก็ไม่ดีละ่ะใครที่สิ้นกามละกามได้ก็เรียกว่าสิ้นภพเป็นพรามได้ซึ่งคําพูดตรงนี้ที่เป็นคําฉันหมายถึงคํากรอนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็มีคําอธิบายที่เป็นเนื้อเรื่องประกอบนั่นคือเรื่องที่พ ร, ระพเจ้าจะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีศรัทธาออกบวชละ แต่ปรากฏหลังจากบวชไปได้ไม่นานก็ถูกมารยาของผู้หญิงร่อลวงไปเพื่อที่จะให้ศึกให้ได้พระประชาได้ตรัสถึงการที่ภิกษุรูปนี้ได้ทำสงครามกับหญิงที่จะมาพาท่านศึกให้ได้เรามาฟังเรื่องราวของภิกษุรูปนี้กันต่อังท่านชื่อว่าพระสุนทรสมุทรชื่อนี้ก็จะแปลกๆนิดหนึ่งสุนทรสุนทะระอันนี้ก็หมายถึงสุนทรีนั่นแหละ ในภาษาไทยที่เราเอามาใช้กันอ่านว่าสุนทระในภาษาบาลีถ้าเป็นผู้หญิงเอามาใช้ชื่อนี้ก็เรียกว่าสุนทรีแล้วก็มีชื่อตามไทยคำหนึ่งคือสมุทรสมุทรนี้คําหมายถึงทะเลและมหาสมุทรคำนี้ก็คือจะอ่านว่าสุนทรสมุทรก็ได้หรือสุนทระสมุทรก็ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองเจตดาร์วันทั้งหมเรื่องราวของท่านพระสุนทระสมุรทรธรรมบท แปลเรื่องพระสุนทรสมุตรเทระภาคที่แปเรื่องที่295พระาศาสดาประทับอยู่นะพระเชตวันทรงปรามพระสุนทรสมุตรเทร ะ, ระพระธรรมเทศนานี้ว่าโยทะกามปหันตวานะอนาคาโร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 คลบุตรคนหนึ่งชื่ อ, ส, อ ส, สุนทรสมุตกุมารบาลีว่าสุนทรสมุททะกุมาโรคือสุนทรสมุตกุมารเกิดในตระกูลใหญ่ซึ่งมีสมบัติสี่สิบโกรวันหนึ่งเขาเห็นมหาชนถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไปพระเชตวัน เพื่อฟังธรรมก็ในเวลาหลังพัดจึงถามเขาว่าพวกท่านจะไปไหนเมื่อมหาชนบอกว่าจะไปเฝ้าพระศ า, ศาสดาเพื่อฟังธรรมจึงกล่าวว่าฉันขอไปด้วยแล้วก็ไปกับมหาชนนั้นนั่งนะท้ายบริษัทพระศ า, ศาสดาทรงท่าปัญยาัยของเขาจึงแสดงอนุบุพพีกะตา เขาคิดว่าผู้อยู่ครองเรือนไม่อาจประพฤติปรมาจันให้เป็นดุดสังที่ขัดได้แล้วอาศัยพระกาถาของพระาศาสดาจึงเกิดความแน่วแน่ที่จะบัะชาะเมื่อบริษัทกลับไปแล้วจึงทูลขอบัะชากับพระาศาสดาได้ทราบว่าพระตถาคตไม่ให้บวชกุลบุตร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 เทียบินดะบาดอยู่ในเมือง น, นั้นตอนหญิงแพทย์สยารับอาส า, า, าจะศึกพระเทระต่อมาวันหนึ่งมารดาบิดาของท่านในเมืองสาปทีเห็นพวกเด็กที่เป็นสาหายของท่านเล่นอยู่ด้วยความโออาอย่างยิ่งในวัน ม, มหรสพวันหนึ่งกร่ำกลวนว่า และเล่นชนิดนี้บุตรของเราไม่มีโอกาสได้เล่นเลยก็ในขณะนั้นหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งไปสู่ตรกูนั้นเห็นมารดาของพระสุนทรสมุทรเทระณนั้นกำลังนั่งร้องไห้อยู่จึงถามว่าคุณแม่คุณแม่ร้องไห้เพราะเหตุใดมารดาของพระร้องไห้เพราะคิดถึงลูกหญิงแพทย์สยา แล้วเขาไปที่ไหนละคุณแม่มันดาของพระไปบวชอยู่กับภิกษุหญิงแปสยาให้ท่านศึกเสียไม่ดีหรือมันดาดีแต่ท่านไม่อยากศึกจึงหนีจากเมืองสาวัตถินี้ไปอยู่เมืองราชฤกษ์หญิงแปสยาถ้าดิฉันให้ศึกได้คุณแม่จะให้อะไรฉันตอบแทนมารดา จะให้เจ้าเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ในตระกูลนี้หญิงแปสยาจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นคุณแม่จงให้ข้าใช้จ่ายแก่ดิฉันเธอรับค่าใช้จ่ายแล้วไปเมืองราช จ, จุกฤตกับบริวารหลายคนสังเกตด้านถนนที่ท่านไปบินตบาดแล้วหาที่พักหนะ้าบ้านหลังหนึ่งในถนนนั้นจัด อาหาหนั่นประีตไวแต่เช้ามืดแล้วถวายภิกษาในเวลาพระเทระเข้าไปบินาบาตผ่านไปสองถึงสามวันจึงนิมนต์ว่าท่านเจา้าข้าขอท่านจงนั่งทำพัฒกิจในที่นี้นี่แหละแล้วจึงรับเอาบาทจากพระเทระท่านได้ให้บาทแล้วตอนหญิงแพย์สยา ออกอุบายเคลียกล่อมพระเทระต่อมาหญิงแพษยานั้นเลี้ยงพระเทระนั้นด้วยอาหารนันประณีตแล้วเรียนว่าท่านเจ้าขาการเที่ยวบินรบาดในที่นี้นี่แหละสะดวกดีจึงนิมนต์ให้พระเทระนั่งฉันที่ระเบียงสองถึงสามวันในเวลาต่อมาให้ขนมกับพวกเด็ก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 หญิงแพรสยานั้นจึงเรียนกับพระเถราว่าท่านเจ้าค่าถึงที่ฉันห้ามพวกเด็กก็ไม่ฟังยังกุ้ยฝุ่นจนคลักคลุ้งในที่นี้จนได้นิมนท่านเข้าไปในบ้านเถิดหญิงนั้นให้ท่านนั่งในบ้านแล้วนิมนให้ฉันต่อไปอีกสองถึงสามวันนางเกลียกล่อมเด็กอีกแล้วสั่งว่าถึงฉันห้าม พวกเจ้าจงทำเสียงออตืในเวลาพระเทระชันเด็กเหล่านั้นก็ทำตามคำสั่งในวันรุ่งขึ้นนางจึงกล่าวว่าท่านเจ้าค่าตรงนี้มีเสียงอึกอตเหลือเกินถึงดิฉันห้ามพวกเด็กก็ไม่เชื่อฟังคำห้ามนิมนต์ท่านนั่งในปราสาทชั้นบนเถิดก็เมื่อพระเทรรรับนิมนต์นางให้พระเถระ เดินไปก่อนเมื่อจะตามขึ้นไปสู่ปราสาทได้ปิดประตูทั้งหมดแล้วขึ้นไปสู่ปราสาทพระเตระแม้เป็นผู้ถือการเที่ยวบินดาบาตามลำดับตรอกเป็นวัดอย่างเคร่งครัดแต่ติดในรถอาหารจึงขึ้นไปสู่ประสาทเจดชันตามคำของหนังตอนหญิงแพทย์สยา แสดงมายาหญิงสี่สิบอย่างนางนิมนต์ให้พระเทระนั่งแล้วแสดงแง่งอนของหญิงลีลาของหญิงซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเพื่อนปุณณมุขาเอ๋ยได้ยินว่าหญิงย่อมเกี้ยวชายด้วยธานะสี่สิบอย่างคือสะบัดสะบิงหนึ่งก้มลงหนึ่งกรีดกลายหนึ่ง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 เกิดความสังเวชอย่างใหญ่หลวงว่าเป็นคำหนักจริงๆที่เราทำไปโดยไม่ไตรตรองในขณะนั้นพระาศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระเชตวันไกลประมาณสถึงหโยต์ทีเดียวทรงเห็นเหตุนั้นแล้วได้ทรงทำการยิ้มย้มให้เห็นลำดับนั้นท่านบรานนทูลถามเหตุแห่งการย้ม พระศาสดาจึงตรัสว่าอา น, นุ์สงครามกําลังเกิดขึ้นระหว่างภิกษุชื่อสุนทรสมุทตกับหญิงแพทย์สยาบนประสาทเจ็ดชั้นในเมืองราชคฤห์ท่านพระอ น, นุนทูลถามว่าก็ใครจะชนะใครจะแพ้พระเจ้าพระศาสดาทรงประกาศชัยชนะของพระเทราวาอานนุ์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 ละกลามทั้งหลายได้แล้วออกบวชไม่มีเย่าเรือนเป็นผู้สิ้นกามและพบเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นปรมบาลีว่าโยทะกาเมปันตวานะอนาคาโรปริปรเชกามะภาวะปริกีนังตะมะหังปรุมิปรมะนังในเวลาจบเทสนา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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระสุนทรสมุทเทระอาศัยรถที่พึงรู้ด้วยลิ้นเกือบเสียท่าแต่พระศาสดาก็เป็นที่พึ่งของเธอพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งของสุนทรสมุทนั้นในบัดนี้เท่านั้นก็หาไมได้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 รถเป็นสภาพเลวแม้กว่าถิ่นที่อยู่แม้กว่าความสนิทสนมคนรักษาอุทยานชื่อสันชัยล่อเนื้อสมัที่อาศัยอยู่ในโรคชัดมาอยู่ในอำนาจได้ก็ด้วยรถทั้งหลายแล้วทรงประมวลชาดกด้วยคําว่าในครั้งนั้นสุนทรสมุทตได้เป็นเนื้อสมัส่วนมหาอมามัด ของพระราชาผู้กล่าวกาถานี้แล้วให้ปล่อยเนื้อนั้นไปได้แก่เรานี่เองเรื่องพระสุนทรสมุทรเทระจบเกือบเสียท่าทรมุฟังรพระภิกษุรูปนี้เกือบเสียท่าดีที่พระพุทธเจ้ามาช่วยสะ ก, ก่อนตอนท้ายของในเรื่องนี้ธรมฟังสังเกตได้ว่าเขาจะอธิบายถึงนิทานชาดกต่อไปอีกลักษณะการอธิบายแบบนี้ก็จะมี ที่ให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆว่าอ๋อเรื่องราวตรงเนี้มีในชาดกตรงนู้นในชาดกตรงนู้นเนี่ยมันตรงไหนที่ว่าวาตามิคาชาดกเนี่ยก็จะนําเรื่องราวตรงนี้มาต่อให้ฟังกันนี่คือลักษณะาการศึกษานะท่านผู้ฟังเวลาที่เราเอ้ตรงนี้มันต่อไปตรงนั้นเราก็ไปตามดูว่าเรื่องราวตรงนั้นเป็นอย่างไรอาจจะเห็นที่เหมือนกันบ้างที่ต่างกันบ้างเพื่อดีใจให้เป็นแง่มุมในการศึกษาได้อ่ะนี่คือเรื่องของ วาตามิกะชาดกทีนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสชาดกนี้ก็ได้กล่าวถึงภิกษุอีกรูปหนึ่งภิกษุรูปนี้ไม่ได้โชคดีเหมือนท่านพระสุนทรสมุทตที่มีพระพุทธเจ้ามาช่วยแต่ภิกษุรูปนี้ในที่ชื่อปฏิจจะเนี่ยที่มาในเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เสียท่าให้กับผู้หญิงตต่หวังผู้หญิงที่มีมารยาสีอย่างอย่างที่เขาว่ากันนี่แหละ มันยาหญิงมี40อย่างเจ้าถ้าอย่างไรเรามาฟังเรื่องของภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ชื่อว่าติสสะแล้วก็ตามด้วยเรื่องของชาดกเรื่องนี้กันว่าตะมิคะชาดกว่าด้วยอำนาจของรถพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงรารอบพระจุลบินทะปาติกะติสสะเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่า ah ati, hi, นกิรติรเศหิปาปิโยดังนี้เป็นต้นดลยินว่าเมื่อพระาศาสดาทรงอาศัยพระนคกราชกฤตประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันวันหนึ่งกุลบุตรของตระกูลเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากชื่อว่าติดสักุมาน ได้ไปพระวิหารเบรุวันฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาและประสงค์จะบวชจึงทูลขอบรรพชาแต่บิดามารดาอย่างไม่อนุญาตจึงถูกปฏิเสธได้ทำการอดอาหารเจ็ดวันแล้วให้บิดามารดาอนุญาตเหมือนหนังพระรัฐบาลเทระ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 บิดามานดาของประเตระเก็บสิ่งของอันเป็นเรื่องประดับอันมีอยู่ในครั้งประเตระเป็นเครื่อหัตไว้ในผ้าอบเงินเอาออกมาวางไว้ที่อกแล้วร้องไห้รังพูดว่าในการเล่นนั ก, กษัตย์อื่นๆบุตรของพวกเรานี้ประดับด้วยเครื่องประดับนี้เล่นนั ก, กษัตย์พระสมณโคดม พาเอาบุตรน้อยนั้นของพวกเราไปยังพระนครสาวัตถีบัดนี้บุตร น, น้อยของเราทั้งหลายนั้นนั่งที่ไหนนอยืนที่ไหนเนากกอในลำดับนั้นวันนะทาสีคนหนึ่งไปยังตรกูลนั้นเห็นภรรยาของเศรษฐีกาลังร้องไห้ยอยู่จึงถามว่าแม่เจ้าท่านร้องไห้ทาไม ภรยาของเศรษฐีนั้นจึงบอกเนื้อความนั้นนางวรรณาตาศีกล่าวว่าแม่เจ้าก็พระลูกชายของท่านชอบสิ่งใดภรยาของเศรษฐีกล่าวว่าเธอรักชอบของสิ่งโน้นและสิ่งโน้นนางวรนนาตาีกล่าวว่าถ้าท่านจะให้ความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือนนี้แก่ดิฉันไซ์ ดิฉันจะนำบุตรของท่านมาภรรยาของเศรษฐีรับคำดังนั้นแล้วได้ให้สเสบียงและส่งนางวรรณาาสีนั้นไปด้วยบริวารใหญ่โดยพูดว่าเธอจงไปนำบุตรของฉันมาด้วยความสามารถของตนนางวรนนาาสีนั้นนั่งในยานน้อยอันปกปิดไปยังนครสาวัตถี ถือเอาการอยู่อาศัยใกล้ถนนที่พระเถระเทวพิการจารย์ไม่ให้พระเถระเห็นพวกคนที่มาจากตระกูลเศติฐีแวดล้อมด้วยบริวารของตนเท่านั้นเมื่อพระเถระเข้าไปบินาบาบได้ถวายยาคูหนึ่งกระบวยและภิกษามีรสอร่อยผูกพันด้วยความอยากในรสไว้ แต่เบื้องต้นแล้วให้นั่งในเรือนถวายพิกษาโดยลำดับเมื่อรู้ว่าพระเทระตกอยู่ในอำนาจของตนจึงแสดงอาการว่าเป็นไข้นอนอยู่ในห้องฝ่ายพระเทระที่ยวไปตามลำดับตรอกในเวลาพิก า, ารจัได้ไปถึงประตูรเรือนจนที่เป็นบริวาร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 ที่นางวรนนตาสีนั้นนอนอยู่นางวรรณตาสีรู้เหตุแห่งการมาเพื่อตนจึงประเลาประโลมพระเทระนั้นผูกด้วยตัณหาในรถให้ศึกแล้วให้ตั้งอยู่ในอำนาจของตนให้นั่งในยานได้ไปยังพระนครราชกฤชนั่นเองด้วยบริวารใหญ่คราวนั้นได้ปรากฏ เป็นทั่วไปแล้วภิกษุทนายนั่งประชุมกันในโรงธรรมสภาสนทนากันขึ้นว่าได้ยินว่านางวันณาาศีคนหนึ่งผูกพระจุลบินทะปาติกาติสะเทระด้วยตัณหาในรถแล้วพาไปแล้วพระาศาสดาเสด็จเข้าไปยังโรงธรรมสภาประทับบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้แล้วตรัส ถามวภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนอภิกษุเหลนั้นได้กราบทูลเรื่องราวนั้นแล้วพระศาสด า, าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ติดในรสตนาตกอยู่ในอำนาจของนางวรรณาตาสีนั้นในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในกาลกร่อนก็ตกอยู่ในอำนาจของนางเหมือนกัน แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการในพระนครพาราณสีได้มีนายอุยานบานคือคนดูแลอุทยานของพระเจ้าปรมทัตชื่อว่าสันชัยตอนนั้นเนื้อสมันตัวหนึ่งมายังอุทยานนั้นเห็นคนเฝ้าอุทยานคือนายอุยานบานที่ชื่อว่าสันชัยนั้น เนื้อสมันตัวนั้นเมื่อเห็นแล้วจึงได้หนีไปฝายนายสันชัยวิได้ขู่คุกคามเนื้อสมันนั้นให้ออกไปแล้วเนื้อสมันนั้นจึงมาเที่ยวในอุทยานนั้นนั่นแลบ่อยๆคนเฝ้าอุทยานสัญชัยนั้นนำเม้าดอกไม้และผลไม้มีประการต่างๆมาจากอุทยานแต่เช้าตรู่นำไปเฉพาะ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 มาเที่ยวอยู่ในอุทยานข้าพระบาทได้เห็นสิ่งนี้พระราชาก็เธออาจจะจับมันได้หรือไม่ในสันจัยข้าพระองค์เมื่อได้น้ำพึ่งหน่อยหนึ่งจะอาจนำเนื้อสมันนี้มาแม้ยังภายในพระราชนิเวศพระชักาพระราชาจึงได้ให้น้ำพึ่งกับนายอุย า, านาบาลคือคนเฝ้าอุทยานที่ชื่อสันจัยนั้น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 จึงแสดงตนให้เห็นโดยลำดับเหนือสมันนั้นครั้นเห็นนายสันชัยนั้น้องถึงสามวันแรกก็หนีไปแต่พอเห็นเข้าวบ่อยๆจึงคุ้นเคยถึงกับกินหญ้าที่อยู่ในมือของนายอุญญาบาลได้โดยลำดับคนเฝ้าอุทยานนั้นรู้ว่าเหนือสมันนั้นคุ้นเคยแล้วจึงเอาเสื่อลำแผนล้อมถนน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 เนื้อสมันผู้อาศัยป่าชัดอยู่เห็นปานนี้นั้นผูกผูกด้วยความอยากในรถมาสู่ที่เห็นปานนี้ในปัดนนี้ท่านผู้ชลนทั้งหลายชื่อว่าสิ่งที่ลามกกว่าความอยากในรถย่อมไม่มีในโลกหนาะแล้วทรงเริ่มตั้งธรรมเทศนาด้วยกตานิว่าได้ยินว่าสิ่งอื่นที่จะเลวยิ่งไปกว่ารถทั้งหลาย ย่อมไม่มีรถเป็นสภาพเลวแม้กว่าทีท่อยู่แม้กว่าความสนิทสนมในสันใจผู้ดูแลอุทยานนี้นำเนื้อสมันซึ่งอาศัยอยู่ในป่าชัดมาสู่อำนาจของตนได้ด้วยรถทั้งหลายก็ทัาบว่ากิระแปลว่าได้ยินว่าในกระตานั้นเป็นนิบาทใช้ในอัตถว่า และยินได้ฟังบทว่าระเหสิแปลว่ากว่ารสทั้งหลายหมายความว่ากว่ารสหวานและรสเปรี้ยวเป็นต้นที่พึงรู้ด้วยลิ้นบทว่าปาปิโยแปลว่าเลวกว่าบทว่าอาวาเสหิวาสันถเวหิวาแปลว่าแม้กว่าถินที่อยู่ แม้กว่าความสนิทสนมความว่าความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในถิ่นที่อยู่กล่าวคือสถานที่อยู่ประจำกด็ดีในความสนิทสนมด้วยอำนาจความเป็นมิตรกด็ดีลามกแท้แต่รถในการบริโภคที่เป็นไปกับด้วยชันตาราคะนั่นแหละเป็นสภาพเลวกว่าแม้กว่าถิ่นที่อยู่ แม้กว่าความสนิทสนมด้วยความเป็นมิตรซึ่งมีการบริโภคด้วยฉันดาราคะเหล่านี้โดยร้อยเท่าพันเท่าพระอัตตาว่าต้องเสพเฉพาะเป็นประจำและเพราะเว้นอาหารการรักษาชีวิตอินทรีย์ก็ไม่มีก็พระโพธิสัตว์ทรงกระทำเนื้อความนี้ให้เป็นเสมือนเนื้อ ที่ตามมาด้วยดีจึงตรัสว่านัยยินว่าสภาพที่เล็วกว่ารถทั้งหลายย่อมไม่มีรถเป็นสภาพเล็วกว่าแม้กว่าตินที่อยู่แม้กว่าความสนิทสนมบัท น, นี้พระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงว่ารถเหล่านั้นเร็วจึงตรัสคํามีอาที่ว่าวาตะมิขังดังนี้บรรดาบทเหล่านั้น บทว่าคหะนะนิสสีตังแปลว่าอาศัยที่เป็นป่ารกชัดท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าท่านทั้งหลายจงดูความที่รถทั้งหลายเป็นสภาพเลวในสัญชัยผู้ดูแลอุทยานนำเนื้อสมันชื่อนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าชัดในราวป่ามาสู่อำนาจของตนด้วยรถน้ำพึ่ง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 ภิกษุทั้งหลายนางวันนะาสีนั้นผูกภิกษุนั้นด้วยตัณหาในรถกระทำไว้ในอำนาจของตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการกร่อนก็ได้ทำแล้วเหมือนกันกรันนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบต่ออนุสนนีแล้วทรงประชุมชาดกว่าในสันใจในครั้งนั้น ได้เป็นนางวันนธทาสีคนนี้เนื้อสมันในครั้งนั้นได้เป็นจุละปินตปาติกาภิกษุส่วนพระเจ้าปรณาสีได้เป็นราวนีนั่นเองวาตามิคาชาดกจบเอนี้เป็นเรื่องราวที่อธิบายกันมาท่านผู้ฟังไลยมาตั้งแต่เรื่องของพระสุนทรสมุทรที่ได้อธิบายคาถาของพระพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการท่านสามารถละกามได้พ้นภัยจากมันยาหญิง40อย่างแล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องของวาตามิฆาชาดกเราก็ได้ฟังเรื่องของวาตามิฆาชาดกที่ได้อธิบายเรื่องของภิกษุอีกรูปหนึ่งคือชื่อติสสะที่นิวาก็เป็นคนละคนกันแต่สารทางการก็เป็นคนละแบบท่านพระติสสะี่ได้ศึกและไม่สามารถรอดพ้นมันยาหญิงได้ เพราะฉะนั้นในการอธิบายอาจจะนำเรื่องราวเดียวกันนี่แหละมาอธิบายเหตุการณ์2อย่างที่ตรงกันข้ามกันก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาท่านผู้ฟังเราก็แบ่งแยกกันให้ดีว่าหลักฐานนี้ข้อมูลที่มาในคำพีต่างๆนี้เป็นชั้นไหนชั้นไหนเราฟังข้อมูลแล้วก็พิจารณากันไปว่าจะเข้าใจเนื้อความแห่งอัตถะ แห่งคำที่พระพุทธเจ้าตรัสวันได้อย่างไรอย่างไรอันนี้คือประโยชน์ของการศึกษาธรมฟั ง, งอันนี้คือจุดประสงค์ที่ให้มีการศึกษามีการฟังวันนี้เวลาหมลตธรรมฟั ง, งข้าพเจ้าพระมาหาไยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพาน